เพราะฉะนั้นวิธีสอนวิปัสสนาในสมัยพุทธกาลหรือพระผู้มีพระภาคจะสอนเองก็จะสอนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะในฉาักกสูตรหรือในสูตรอื่นๆอีกก็จะคล้ายๆล้เคืองกันเช่นนะพึงรู้จักอายตนะภายใน6นะพึงทราบนะใช้คําว่าพึงทราบพึงทราบอายตนะภายใน6พึงทราบอายตนะภายนอกหพึงทราบวิญญาณหมวด6พึงทราบผัสสะหพึงทราบเวทนา6พึงทราบตันหา6เนี่ย แล้วก็พระองค์บอกว่าพึงทราบอายตนะคือจากขู่พึงทราบอายตนะคือโสตเพึงทราบอายตนะคือคานะพึงทราบอายตนะคือชิวหาพึงทราบอายตนะคือกายพึงทราบอายตนะคือใจแล้วก็พึงทราบอายตนะภายนอก6คืออายตนะคือสีอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโพธพาอายตนะคือธรรมรมณ์แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอาศัยจากขู่กับรูปเกิด จากขูวิญญาณนะอาศัยอายตนะคือหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณอาศัยอายตนะจมูกกับกลิ่นเกิดขานวิญญาณอาศัยอายตนะคือลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยอายตนะคือกาย er กับโพธาภาเกิดกายวิญญาณอาศัยอายตนะมณะกับธรรมะเกิดความคิดหรือมโนวิญญาณขึ้นนะครับ นายพลก็ยังแสดงต่อไปอีกนะว่าอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างนี่เรียกสัมผัสหรือผัสสะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกว่าผัสสะนะครับอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานาวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะ อาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะอาศัยมโนโกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะนะและผมก็มาตรัสอีกเวทนาหว่าอาศัยจักรูปกับรูปเกิดจักรูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียก ภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาทางหูนะอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดขานะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะสมอย่างเรียกภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะอาศัยกายกับโพธาภาเกิดกายะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมี เวทนาอาศัยมโนโกธรรมะเกิดมโนโวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียบผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพราะองค์แสดงละเอียดอย่างนี้ไปเลยนะครับ เ, เวทนาในที่นี้เนี่ยหมายถึงเวทนาที่เกิดณขณะที่เสียงกระทบอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเป็นอีกขณะหนึ่งที่ว่าเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยตรง น, นี้เนี่ยครับเอาขณะนั้นด้วยหลังจากนั้นด้วยอเอาทั้งหมายคาว่าเวทนาในขณะกระทบด้วยครับ นะเช่นเวทนาที่เกิดร่วมกับจกักขูวิญญาณด้วยเวทนาที่เกิดร่วมกับชาวนาจิตด้วยหรือถ้าหากว่าแสดงตามเวทนาขันเอาแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดหลังจากนั้นหลายๆวันก็ได้นะครับที่ที่อาศัยการเห็นนั่นแหละอาศัยการเห็นนั่นแหละเป็นหลักเวทนานั้นนั้นหลังๆจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตามขันทวิพังนั้น Uh, เวทนาขานันนั้นเอาแม้กระทั่งเวทนาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะครับเช่นอาศัยเข้าไปเห็นการเจริญกสิณกันนะไปเห็นภาพกสิณ เ, เอ้เราก็เป็นพระเหมือนกันทําไมเราจะปฏิบัตบิบรรลุแบบนี้ไม่ได้อาศัยภาษาที่เกิดการเห็นเนี่ยนะภาษาที่เห็นอันนั้นเป็นปจัจจัยแม้กระทั่งเวทนาที่เป็นโลกุตระไปปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้อันนั้นก็ชื่อว่ามีภาษาที่มีจักรูสัมผัสนั่นแหละเป็นปัจจัยนะครับอันนี้แสดงตามขันธวิพังอภิธรรมภาชนีนะครับ ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยครับก็เห็นคนที่เขารังเกียจการศึกษาเห็นว่าจะฟงุงซ่านเองนไม่ใช่ว่าผมเองไม่เชื่อนะครับแต่ถามถามๆเพื่อๆแล้วแต่จริงๆแล้วความจริงมันน่าจะเป็นว่าตามตามพระวินัยเนี่ยพระที่บวชใหม่เนี่ยก็จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ใช่ั้ยครับอยู่กั บ, บอุปชาอาจารย์เนี่ยอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า5 5พันษา นะครับซึ่งก็จะต้องรู้อะไรมากมายแล้วนะครับแล้วก็วินัยก็ยังระบุด้วยซ้ําไปว่าถ้าหากว่าเป็นคนเข่าก็จะต้องอยู่กับครูบาอจารย์ไปตลอดนะครับจะแยกตัวออกไปไม่ได้อันนี้ที่ปล่อยให้ออกไปภายในห้าปีนี่ก็หมายความว่าฉลาดแล้วเก่งแล้วในเรื่องของธรรมะคือมีความรู้พอที่จะประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นไปได้แล้วนะครับทีนี้ภายในห้าปีเนี่ยยังไปเป็นครัวอาจารย์ยังไม่ได้ยังไม่เรียกอาจารย์ใช่ไหมครับไปเป็นสิบพันสายแล้วจึงจะให้นิสัยได้นะครับ หลัง 10, สิบพรรษาแล้วจึงจะให้นิสัยเป็นต้นได้ถ้าระหว่างห้าพรรษาขึ้นไปเรื่องนิสัยมุตตะกะแค่พ้นนิสัยเท่านั้นเองนี่ความเป็นผู้ฉลาดนะครับแต่ยังเป็นอุปชาเป็นอาจารย์ยังไม่ได้เมื่อเลย 10, สิบพรรษาไปแล้วเนี่ยนะมีความสามารถเพียงพอจึงจะเป็นอุปชาเป็นอาจารย์ไปได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ฉลาดเนี่ยนะครับห้าปีนี้เขาเรียนอะไรมัางถ้าเกิดท่านเหล่านั้นบวชตั้งแต่เป็นเนรนะครับ บวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมาเลยว่างท่านหรือสิบขวบหรือสิบสาสิสี่ขวบมาแล้วเนี่ยนะบวชเข้ามาเนี่ยนะครับท่านจะไม่รู้อะไรเลยหรือครับเดี๋ยนะถ้าหากว่าบวชด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยนะครับถ้าบวชด้วยศรัทธาจริงๆเน่ยถ้านอนมากๆพองศ์ก็ตำหนิอีกไงถามว่าไปทําอะไรชีวิตที่เหลือถ้าไม่เรียนรู้ศึกษาประธรรมคําสอนอย่างละเอียดละออถีทท่วนสิ่งเหล่านี้นี่แหละทําไมพระไตรปิฎกจึงมากก็เนื่องจากเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับพระเถระ ผมเคยได้ยินคำอาจารย์บางท่านบอกว่าผู้หญิงที่ปรารถนาไม่อยากจะเกิดเป็นผู้หญิงอเนี่ยก็คือต้องทำใจไม่พอใจในความเป็นหญิงของตัวเอง อย่างนี้แต่แต่ที่อาจารย์ฟังฟังจากอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าพูดที่ยินดีผู้ชายจะเกิดเป็นผู้หญิงผู้ที่ยินดีผู้หญิงจะเกิดเป็นผู้ชายเอาเก่าฟังก่ยินดีด้วยราคะนะครับอ๋อเหรอเช่นชายชอบหญิงนะยินดีแบบนี้นะครับยินดีแบบชายชอบหญิงหญิงชอบชายเนี่ยนะเนี่ยนะแต่ว่าไม่ชอบตัวเองอยากไปเป็นชายไม่ได้ชอบแบบนั้นชอบในความงามของหญิงนะชายที่ยินดีลหลงไหลในความงามของหญิงก็ โดยมากนะถ้าไมผิดการมเมสุมิชาจารย์เป็นต้นก็จะได้เกิดเป็นชายอีกยาวนะครับแต่ถ้าไปทําผิดศีลผิดธรรมก็ไม่แน่นะก็เปอร์เซนต์ไปเป็นหญิงก็สูงยกตัวอย่างอดีตชาติของภาณนนุนะครับ<ม>ก็ไปเกิดเป็นหญิงบ้างนะครับท<ม>ั้งหลายชาติเหมือนกันก น, น<ม>ะในกล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าวิปัสสนาในในคำสอนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมยกเมื่อกี้เนี่ยในในฉะฉะกะสูตรเนี่ยนะพระองค์แสดงพิสดารมากนะครับไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะครับ แล้วถ้าหากว่าเป็นสูตรอื่นๆองก็จะแสดงคล้ายๆคลึงกันนะครับแต่ว่าวิธีการแสดงก็จะแตกต่างกันพยัญชนะแตกต่างกันแต่อัฐไม่แตกต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นในโลกาณิโรธสูตรสังยุตตนิการนิธา น, นวักนะพระองก็ตรัสว่า อาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปาญาตนะครับความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ในจักรครัววานนะครับโสตะทวานเป็นต้นก็ในย่าเดียวกัน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 เพราะฉะนั้นถ้าเนื่องจากยินดีทั้งหกทวารก็เพื่อให้มีอีกทวารหกอันใหม่ขึ้นถามว่าทั้งหมดนี้อะไรเป็นตัวเชื่อมตันหาเป็นตัวเชื่อมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะละตันหาก็ต้องรอบรู้ทั้งจักขูรอบรู้ทั้งสีรอบรู้ทั้งจักขูวิญญาณภาษาเวทนาธรรมปริญญาจนหมดนะครับตันหาจึงไม่เกิดเมื่อตันหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับภพบก็ดับเมื่อภพดับชาติก็ดับ เมื่อชาติดับชรามรณะโศกาปริเทวทุกขโทมนัสก็ดับหรือถ้าดับตันหาเมื่อตันหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับภพก็ดับเมื่อพบดับจักขูก็ดับพรภาหารทั้งหลายทิ้งจักขู่อันนี้ไม่ถือเอาจักขู่อันใหม่นะทิ้งโศตะอันนี้เนี่ยนะมรณะหรือว่าชีวิตตินรียดับอันนี้นะท่านก็ไม่ถือเอาโศต่าอันใหม่ทิ้งขานะอันนี้ก็ไม่ถือเอาขานะอันใหม่ทิ้งลิ้นอันนี้ก็ไม่ถือเอาลิ้นอันใหม่ ทิ้งกายอันนี้ก็ไม่ถือเอากายอันใหม่ทิ้งใจอันนี้ก็ไม่ถือเอาใจอันใหม่แต่ปู่ทุชนทั้งหลายก็จะถือเอาตาหูจมูกลิ้นอันใหม่ในพบใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะตันหาเป็นตัวผูกระหว่างพบกับพบระหว่างคติกับคติระหว่างกำเนิดกับกาเนิด ร, ระหว่างสัตว์ว่ากับสัตวว่ระหว่างวิญญาณทิฏฐิกับวิญญาณทิฏฐิโดยที่มีตันหา แต่ถ้าหากว่าทำปริญญา3เนี่ยนะครับอย่างที่เรากําลังจะกล่าวต่อไปเนี่ยนะทำปริญญาในจักขูทำปริญญาในรูปทำปริญญาในจักขูวิญญาณทำปริญญาในจักขูสัมผัสทำปริญญาในเวทนาในตัณหาทำปริญญาให้หมดก็เมื่อทำปริญญาอันนี้เราเรียปริญญยากิจนะครับในทุกขาริยสัตวนะครับทีนี้เมื่อทำปริญญาอันนี้ก็จะปหานะละไอความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปหาณกิจในอริยสัตว์ นะครับถ้าทําให้แจ้งเท่าไหร่ก็เป็นสัจจิกะเท่านั้นหรือว่าสัจิกิริยาเท่านั้นทําให้แจ้งเท่าเท่านั้นไอความรู้เป็นต้นที่เจริญนั้นก็เป็นสายมรรคภาวนาทําจนกว่าจะบริบูรณ์เกิดการตรัสรู้อริยสัจจะทำขึ้นนะครับการตรัสรู้อริยสัจจะทำครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันนะถ้าเป็นพระโสดาบันก็เจริญแบบนี้อีกนะครับเพื่อเป็นพระสะกทาคามีเป็นพระสะกทาคามีก็เจริญแบบนี้อีกเพื่อเป็นพระอนาคามี เป็นผ้านาคามีก็จเจริญอย่างนี้เพื่อความเป็นผ้าทหารถ้าเป็นผ้าทหารก็จเจริญอย่างนี้เพื่อเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างนี้แหละคือการเจริญปัญญาเพื่อที่จะไปละอวิชชาไปด้วยในตัวครับผมถ้าไม่เจริญอย่างนี้นะอวิชชาอย่างไรก็ละไม่ได้นะครับเออผมฟังอาจารย์แล้วผ ม, ผมจากประเด็นไม่ค่อยไม่ค่ยเก่งไงของกาจารยเออที่เราจะสาวไปยังไงให้มันไปถึงอวิชชาอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมถามมันนั้นนะครับครับผมเออหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่า ถ้าจะสาวเชิงปฏิจจสมุปบาทว่าตานี้เรียกสลายยตนะถ้าจะสาวไปหาดีตเหตุนะสลายยตนะอันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปอันนี้มีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีตา มีตานะเมื่อมีตาก็ทําให้เป็นปัจจัยให้มีภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาก็อุปาทานพบชาติชารามรณาโศกกะปริเทวทุกขโทมานัตก็จะไหลไปอย่างนี้นะสรุปแล้วก็คือกระแสะของชีวิตที่เป็นไปตามปฏิจจสมุป บ, บาทอาศัยธรรมคืออาศัยการและการเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปโดยที่ไม่มีจบมีสิน้นนะครับถ้าไม่ชํำรกตัณหาอาวิชชาเหล่านี้ออก ถ้าไม่ทําปริญญานะกะระแสอันนี้ก็จะฉุดสัตว์โลกไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าบริสุทธิ์เพราะสงสารเนี่ยหมายความว่าท่องเที่ยวไปอย่างนี้เดี๋ยวบริสุทธิ์เองเพระองค์บอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าน้ําตาที่ไหลมาในอดีตที่เคยเสียใจยที่ขันทาริยตนะไหลไปแบบนี้แล้วนะนะร้องให้เพพ่ อ, พอตายอย่างเดียวก็มากกว่าน้ําทะเลมาหาสมุทรแล้วถ้าแม่อีกพ่ออีกพี่ชายอีกน้องอีก บุตภรรยาเป็นต้นอีกทรา์สินอีกก็มากกว่านี้มหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะการเวียนตายเวียนเกิดแต่บริสุทธ์เพราะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่อทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์<า>นะครับ<า> <laughs> เพราะฉะนั้นที่บอกว่า น, นะคือในชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านก็อยากประมวลให้มันเหลือแค่นามรูปก่อนแต่ที่ใช้คําว่านามรูปมันเป็นบทธรรมะที่เหลือย่อที่สุดนะครับ แต่จะให้พิสดารกว่านามรูปก็คือให้เห็นว่าโลกมีแต่ขันห้าเท่านั้นแหละถ้าจะให้กว้างกว่นั้นก็มีแต่อายตนาสิบสอเท่านั้นแหละถ้ากรุพิสดารกว่านั้นก็มีแต่ธาตุสิบปเท่านั้นแหละแต่ให้ย่อจริงก็เหลือแต่นามรูปเพื่อให้เห็นถึงความไม่ใช่สัตว์แบบที่เดรธีคิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ให้เ็นความเป็นสัตว์เนี่ยเนื่องจากลัทธิบางลัทธิอาจเหนว่าจักขูนี้เป็นอาัตตาเนี่ยนะครับที่ว่าพระ อ, องค์ตรัสว่า ปฏิปทาเพื่อให้มีส ก, กายะเนี่ยนะครับหรือกิเลสจะเกิดขึ้นเพราะศาตร์บางพวกบอกว่าจากักขูนี้เป็นอัตตาเนี่ยนะถ้าจะแสดงตามแนวชัยชักสูตรคําพูดของผู้นั้นไม่ควรเพราะอไรเพราะว่าจากักขูมีทั้งเหตุเกิดและความดับจกักขูนี้เกิดดับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าจากักขูเป็นอัตตาไม่ควรเพราะจักขูเกิดดับเพราะถ้าบอกว่าจักขูเป็นอัตตาอ้าวอัตตาของเราเกิดดับฟังแล้ววุ่นวายเพราะ จักขะูจึงเป็นอนัตตานะครับเนื่องจากจักขะคูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่ว่าจักขะคูจะเกิดก็เพราะอะไรเกิดครับปัจจัยเกิดนะจักขะูเกิดเพราะมีปัจจัยจักขะคูจะดับก็เพราะหมดปัจจัยถ้าหมักไม่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนะเสาก็น่าจะเป็นจักขะูแสงไฟก็เป็นจักขะูได้อะไรก็เป็นจักขูได้หมดแต่เนื่องจากจักูนี้เกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวคือกรรมเป็นปัจจัย นะครับกรรมที่ทำให้มีจักขู่ก็เนื่องจากรูปปัญหาเป็นปัจจัยนะครับัญหาที่ยินดีในรูปเป็นปัจจัยให้มหาพูดใสเนี่ยนะครับสามารถรับภาพได้นะครับเนื่องจากกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยตัญหานั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วก็อวิชาเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ปัจจัยอย่างนี้ว่าจักขูแม้ในอดีตที่เกิดก็เกิดด้วยปัจจัย จักรคูที่จะเกิดในอนาคตต่อไปก็จะเกิดด้วยปัจจัยจักรคูภายในก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้จักรคูภายนอกก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้ดีชั่วเลวปนี้ก็ตามสมควรแก่อนุภาคแห่งกรรมนะครับจะตาดีตาเขตาเอียงตาสั้นตายาวก็เนื่องจากกรรมเนี่ยนะแล้วก็กรรมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมมาบำรุงรักษาจักขคูเนี่ยนะ ก็ตามอนุภาพของอาหารเ mm hmm. นี่ยะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวนี่ยาตะปริญญาเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่รอบรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ปกติก็มีอยู่แล้วนะครับรู้ไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ ถ, นนะถ้าไม่รู้เป็นอวิชชาถ้าไม่รู้เป็นอวิชชาถ้ายินดีในความไม่รู้ก็เท่ากับ mm hmm. เพลิดเพลินในอวิชชาถ้าเพลิดเพลินในอวิชชาก็ mm hmm. ก็ไม่เป็นอะไรก็โง่ต่อไปก็ ยินดีในอวิชาก็เท่ากับยินดีในมูลแห่งวัฏตะต่อไปเนี่ยนะครับก็เท่ากับยินดีในมูลแห่งวัฏตะต่อไปทีนี้โอโหพอประเติคือคําสอนมาส่องโอมันต้องเห็นขนาดนี้เลยเลยแหมสะดุ้งเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ก็แสดงว่ายินดีในความมืดนะครับเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าสมมติว่าอย่างกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมครับอนนถ้าเราเกิดมาเนี่ยตาบอดมองไม่เคยเห็นอะไรเลยนะแล้วก็บอกโอ้โหนี่ถ้ามี แสงสว่างมาส่องให้เห็นภาพนะคงจะวิจิตหน้าดูเลยนะพอภาพดวงอาทิตย์เขาค่อยส่องขึ้นเอ๊ะมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นว้ายไอ้บอดอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วไงนะฉันใดก็ดีผู้ที่เกิดมาเนี่ยนะครับมีวิชาครอบงํามาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมีพระธรรมคำําสอนมาส่องแสงสว่างให้มองเห็นโอ้สัจธรรมความจริงที่วิจิตพิสดารมากมายเนี่ยนะครับเริ่มเบื่อน่ายท้อแท้ก็เท่ากับยินดีในความมืดความบอดเพราะฉะนั้นก็ ยินดีในวัตตมูลนะครับมูลแห่งวัตตะนั่นเองนะครับอวิชากับตันหาเนี่ยนะโดยเฉพาะอาวิชาเป็นศีสะของวัตตะเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้วัตตะอันนี้พาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอันถ้าหากว่าไม่ยินดีในคําสอนเหล่านั้นนนั้ก็เสื่อมจากธรรมังสารนังขะฉ า, ามิที่เรานับถือว่าพระธรรมคาสอนเหล่านี้ช่วยให้พ้นจากวัตทุกข์ได้นะถ้ า, ากับว่าไม่ยินดี หรือว่าไม่ได้นับถือพระธรรมเหล่านี้จริงๆหรือไม่ได้เชื่อว่าถ้าทำคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆเท่ากับไม่ยินดีในพระตระตนนนะรรยไม่ิดีใพธรรมนี้เมื่อไม่ยินดีในพระธรรมก็แสดงว่าไม่ชอบพระพุทธเจ้าผู้แสดงคําสอนนั้นก็แสดงว่าไม่ชอบไม่ศรัทธาในพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติแล้วบรรลุตามคําสอนเหล่านี้นะครับถ้าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีแต่หลักธรรมง่ายๆ จกไม่มีเป็นพระไตรปิฎกมาเป็นแบบนี้และจกไม่เสื่อมไปจากโลกอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้ามาตรัสรูองค์เดียวคำสอนก็จะอยู่ตลอดกาลประวาสารแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดไปจากโลกจนกว่าที่จะมีผู้ที่มีกรุณาอย่างยิ่งต่อสรรพว菩าทั้งหลายมาบาเพ็ญบารมีใหม่ เพื่อตรัสรู้คำสอนอันนี้เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะแนะนำคนที่มีบุญให้ตรัสรู้แล้วคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นก็จะหมดไปก็รอจนกว่าผู้ที่มาบำเพ็ญบารมีกว่าจะมาตรัสรู้คำสอนอันนี้อีกเมื่อตรัสรู้แล้วก็จะสงเคราะห์คนที่มีบุญพอหมดคนมีบุญก็คำสอนนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ หมดไปจากโลกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่พังกรโกทัญญามังคลสาสมณเรวตะติยทัศนีอัฏฐทัศนีธรรมทัศนีเนี่ยนะครับแม้พระาพาาาุทธเจ้าพระนามว่าเศรษฐะเนี่ยนะมังคละก็หมดไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกีเวสภูกะกูสันท่โกนาคมณะหรือพระพุทธเจ้าพระกัสปะก็หมดไปและมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะก็กําลังจะหมดไป เมื่อไม่มีใครศึกษาพระธรรมคําสอนก็รอพระศิยเมตไพรามาตัสรุอีกถ้าคนไม่มีบุญก็เฝ้าวัตตะต่อไปนะครับไม่มีบุญก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกนะรอกว่าผู้ที่จะมาบําเพ็ญบารมีเพื่อที่หวังอนุเคราะห์สงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะมาตัสรุต่อไปข้างหน้าแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ทีนี้ก็คิดดูนะว่าเนื่องจากไม่ยินดีในคําสอนเหล่านั้นนะครับก็เฝ้าวัตตะต่อไป นะครับก็น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ต้องห่วงอาโลกมันจะปั่นหัวจนเมามึนตลอดนี่แหละครับตันหาวิชาเป็นต้นก็จะเล่นงานแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ด้วยนะครับถ้ามีเฉพาะแค่สุขคติคือมนุษย์และเทวดาเป็นต้นก็ไม่น่ากลัวอะไรสังสารวัตแต่ยังมีอาบายทุกขติวินิบาตนรกที่ต่ำเนี่ยนะครับที่ทุกทรมานโอ้เมื่อกี้หนอนมันใช้ช้อนไอขนาดแกงบูดนี่นะครับที่เดียวเนี่ยเป็นกรอบเลยนะครับเนี่ยนะ ถ้ายินดีแบบนั้นก็น่าเห็นใจที่สุดนะครับครับฟังแล้วก็ชวนให้รักพระธรรมรักคำสอนมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็อดแว บ, บไปนึกถึงคนคนที่มันนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างเรานี่ไม่ได้นะครับว่าโอ้ยไปเรียนมาอะไรกันนักกัน า, นาเรียนมากก็ฟุงซ่านมากนะครับก็เป็นพระประเภทพระเขเรียกพระกรรมฐานหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบนะครั บ, รบแต่ว่าตัวเองก็หอบเหี่ยวเอาพวก นิยายจีนบ้างไรบ้างไปอ่านกันน่าดำคำเครียดเลยทีเดียวนะครั บ, รบแต่บอกว่าไปทไม่จะไปเรียนมันมากเลยนะฟงซ่านนะครั บ, รบก็แสดงว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าอยากเข้าไปหานักเลยใช่ไหมครับพระปริยัติธรรมนี่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอ น, นุธรรมวินยัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมะวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นในดีกาพระวินัยนี่นะครับเขาบอกธรรมะขันแต่และธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ นะครับในดีกาพระวินัยชื่อว่าสารถทีปนีที่ที่ขยายาช่วงก่อนทาสังคาย น, านะครับที่พระมหากรสปะชักชวนการทาสังคายนาเท่ากับว่าอย่าไปหาเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงข้อความในคาถาธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่ า, ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นกุลุ ป, ปะกะของอุบาสิกาบ้านหนึ่งนะ บาสิกาคนนี้ก็มีสะทานในภิกษุรูปนี้ทําบุญให้ทานกับภิกษุรูปนี้ภิกษุรูปนี้ก็ไปฉันที่บ้านโยมบาสิกานี้ทุกวนันทุกวนันทีนี่บ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะมาชื่นชมคุณพระสัพพุทธเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อุบาสิกาบ้านนี้ก็อยากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบางก็ปรึกษาภิกษุรูปนี้ว่าโยมเนี่ยนะจะเข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระภิกษุรูปนี้ก็บอกอย่าไปเข้าไปหาเลยอยู่นี่แหละอุบาสิกาไม่ต้องไปหาหรอกเห็นไนะ เสร็จแล้วก็วันแรกก็ผ่านไปวันหลังอีกจนถึงสองสครั้งเนี่ยนะบาสิกานี้เห็นคนอื่นเขาภรณนาคุณของพระพุทธเจ้ามากก็อยู่ไม่ได้ก็เลยไปไปก็สั่งให้ลูกที่บ้านเนี่ยดูแลพระภิกษุกุลุ ป, ปะกะคือพระประจำตระกูลนี้เลี้ยงดูให้ทีแม่จะเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุรูปนี้มาฉันก็ถามอ้าวบาสิกาหายไปไหนบอกไปวัดแล้วว่างั้นโอ้โหพระรูปนี้เดือดร้อนเต้นเนื้อนี่ร้อนเลยนะครับ ร้อนเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กําลังแสดงธรรมให้อุบาสิกาฟังแล้วไปถึงก็บอกพระองค์อย่าไปแสดงธรรมะลึกเลยนะไปแสดงแค่ทานศีลก็พออย่าไปแสดงธรรมะลึกอุบาสิกานี่โง่ฟังไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าคนที่เกิดมาเพื่อคัดค้านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาเกิดมาเพื่อทาลายตน เหมือนกับขุยไผ่ เ, เ, เผนี่ย น, นะครับที่เกิดมาเพื่อทําลายไม้ไผ่ชนะน่ะนะมาอัสสรที่เกิดมาเพื่อทําลายแม่ของมันอ่ะนะลูกกล้วยที่เกิดมาเพื่อทําลายต้นกล้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีแนวความคิดไม่ส่งเสริมให้เรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ฝากฝังไว้ในฐานะเป็นาศาสดาแทนพระองค์เนี่ยนะเพราะพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งพิสูรรูปใดรูปหนึ่งเป็นาศาสดาแทนพระองค์เขาเหล่านั้นเขาพูดอะไรออกไป นี่นะครับวาจาหรือวจีกรรมเนี่ยนะครับตอนพูดอาจจะเมามันเพลิดเพลินเหมือนปลาที่กินเบ็ดนะครับนะตอนกินนี่มันอร่อยเขาเห็นแก่เย่ออาจจะเห็นแก่ความเพลิดเพลินสนุกสนานไปแต่คําพูดเหล่านั้นเขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละเป็นเหตุเฝ้าวัตตะต่อไปเมื่อเขารังเกียจพระปริยติธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะแล้วพระปริยัติธรรมก็เป็นคําสอนที่ชี้อริยศาสต ร, ร์หรือชี้โลกุตระธรรมเมื่อไม่ยินดีในพระธรรมที่ชี้โลกุตระธรรมแล้วเขาจะเห็นโลกุตระธรรมได้อย่างไรนะครับแล้วเขาก็ดูหมิ่นแล้วก็ถึงกับบางคนก็ถึงกับถากทางให้ห่างการเรียนการศึกษาเอาไว้ก็เท่ากับพระพุทธเจ้าควรห่างไว้ในสถ า, านะที่ผู้ที่เลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรายเนี่ยนะครับถามว่าเมื่อฟังอย่างนั้นเนี่ยสังเวชใจแต่ว่า นี่เป็นความมืดความบอดความเขา่าแม้แต่คุณพระรัตนะไตรเกิดขึ้นมาในโลกก็ไม่อยากจะลืมตามมองดูนะครับก็หาอะไรมาปิดตาเลยนะคะเดียวกันก็เชี่ยวชักชวนปิดตาของคนอื่นก็มีอะไรนอกจากจมอยู่ในวัฏะนะคบถ้อยคําเหล่านั้นไม่ต้องห่วงว่าไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษมีโทษอยู่แล้วแต่โทษเหล่านั้นเนี่ย น, นะครับจะไปเอาอะไรกับคนเขา่ากับคนเมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถือสาเขาเราก็มีส่วนอันนั้นด้วย เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปตามกรรมของเขานะครับไม่แปลกใจนะครับทําไมเสียงร้องที่ขํามครวนอยู่ตอนนี้เป็นเสียงสัตว์ในอาบายนะครับถ้าผมไม่พูดปั๊บเสียงในอาบายจะดังขึ้นมาให้ได้ยินทันทีเลยมันมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เป็นเหมือนแผ่นดินเลยอ่บางแห่งบอกว่าสัตว์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปสู่สุกติเหมือนกับฝุน่นในเล็บนะครับถ้าหากว่าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเหมือนกับแผ่นดินนะครับดูครับบน พวกตัวอะไรตัวอะไรเป็นต้นที่อยู่ในศีรษะหรือว่าในที่นอนที่อยู่ของเรานี่มหาศาลนะครับพยาธิที่อยู่ในลําตัวเนี่ยเปน็นแสนแสนเทนั้นแหะนะครับเป็นแสนแสนเนยนะสัตว์ที่อยู่ภายในร่างกายนี่มีมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นอบายนี่มากมายมหาศาลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะสังเวชนีนะว่าตะมันเป็นอย่างนี้นี่แหละขนาดพระัตนะตรายผู้มีคุณที่เรียกว่าอปปมาโนพุทโธอปปมาโนสังโฆอปปมาโนธโมนี่นะ คนก็ยังมองไม่เห็นอีกนะครับและในขณะเดียวกันยังชักชวนอีกอย่าว่าพิสูจนสมัยนี้เลยขณะภิสูจนสมัยพุทธกาลก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับลูกหลานชาวบ้านทั่วๆไปบางคนก็ยังไม่ได้ทราบซึ้งคุณของพระรัตนตรัยอะไรอาจจะบวช ด, ด้วยเหตุผลบางประการซึ่งไม่ได้มีศรัทธานในพระศาสนาอะไรเลยนะครับแต่ว่าไม่ไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับพระองค์ตรัสไว้บางแห่งว่า สําหรับผู้ที่ไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะบริโภคก้อนข้าวของชาวรัฐหรือที่ว่าแว่นแคว้นเนี่ยนะก้อนเหล็กแดงที่บริโภคน่าจะดีกว่าว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพระอยังมากก็ตายหรือทุกปางตายเท่านั้นเองแต่การบริโภคปัจจัยของชาวแว่นแควน้นโดยที่ความที่ตัวเองเนี่ยนะทุศีลเพราะคนที่กล่าวเช่นนี้ได้แล้วไม่มีอะไรที่จะไม่กล้าล่วงศีลอันอื่นๆ น, น, นะคะเพราะว่าขณะพระตัณหาตรายเขายังดูหมิน่น แล้วศีลธรรมเป็นต้นที่พระรัตนตรยัยทรงแนะนาําสั่งสอนเขาจะรักษาได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเชื่อว่าเขาก็คือหนึ่งในผู้จํานวนที่ทุศีลทุมากทุน้อยก็แล้วแต่หิริโอตาปะว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็น่าสงสารนี้คิดอีกนัยยะหนึ่งถ้าเขาเป็นลูกเป็นหลานเราจะว่าไงครับนะถ้าเขามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราจะว่าไงถ้ายาิยาเรานะที่มีความเห็นแบบเนี้ จะน่าสงสารขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่ตั้งแทบนึกแช่งอะไรเลยกรุณาเข้าไปเธอก็ว่าอาภัพแน่นอนคนที่แปลงวาจาในลักษณะนั้นอาภัพแน่นอนเชื่อได้นะครับว่าเขาไปไม่ดีหรอกครับทุกขโตว่างั้นแต่ไม่ใช่สุขโตแน่นอนนะทุกขโตเพราะไปตามมิจฉาวาจานะครับเมื่อมิจฉาวาจาเกิดขึ้นมิจฉากรรมมันตะ มิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็จะเกิดขึ้นแต่มิจฉาวาจาเหล่านั้นเนื่องจากมิจฉาสังคกปะมิจฉาสังกปะเหล่านั้นก็เนื่องจากมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิเนื่องจากเขามีอาโยนิโสมนัิการหรือคบป่าประมิตรนะครับเพราะฉะนั้นมิจฉามักอย่างลงบริบูรณ์เนี่ยนะครับถ้ามิจฉามากๆกก็ก็ร้องแบบนี้แหละครับก็สังเวชใจได้เลยนะครับ